เอาออกทิ้มไปบ้านเราจะได้สดใสเสนียจันไร่จะต้องให้ดีเพว่าจะลงรักษาเสนียจะมาบ้านก่วันนี้มีรายการนี้นโอ้โหน่าสนใจมากเลยรายการเทเล่าเผาบุรี่ยังครูไม่ใหญ่บอกแล้วนึ่งว่า เราต้องสอนด้วยนะต้องแนะนำถึงโทษโทษของสุรามลัยบุรียาเสพติดอะไรอย่างนี้เป็นต้นต้องแนะนำกันถ้าจะให้ไปคิดเองหรือไปหาความรู้เอาเองเนี่ยไม่ค่อยจะไปหาก็หรอกรเพราะว่าต้องทำมากินกับต้องไปเที่ยวสนุกสนานเพลิดพลนกันไปเพราะว่าคุ้นเคยอย่างนั้น เรื่องราวที่ส่งมานี้นะมาจากอเมริกานะจ๊ะน่าสนใจมากออ่านแล้วครูไม่ใหญ่เลยปลื้มมากดีใจปลืม้มแล้วก็ภาคภูมิใจเลยของผู้ที่ทำอย่างนี้นะจ๊ะโดยเฉพาะประโยคที่ว่าไม่ยินดีกับทรัพย์ที่ได้มา จากความหายนะหรือความเดือดร้อนของพืนมนุษย์จะรวยแค่ไหนก็นแล้วแต่ไม่สนเนี่ยตัวนี้ดีมากมากทเดียวผมชื่ออนอนท์สุวรรณวิจิตวงเล็บโจปรยาชื่อสมศรีสุวรรณนวิจิตวงเล็บแต๋วเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้มาสร้างบนที่สูงปฏิบัติธรมรมวชิรจิงตัน ซ e แตตั้งแต่ปีซีหนึ่งผมมายอมเิกา29ปีแล้วเมื่อ26ปีที่แล้วผมเริ่มเข้าสู่วงการอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีประสบการณ์ในหลายหลายรัฐของอเมริกาเคยเป็นตั้งแต่บาร์เทนเดอร์ใน Playboy ยครับ จนถึงตำแหน่ง Food and Beverage Director ผู้จัดกา ร, รแผนกอาหารและเครื่องดื่มที่โรงแรมเชอราตันบอสตันโฮเทลและทาวเวอร์ Tower ทา t เวอร์รัตแมซซาสุเซขณะนั้นมีลูกน้องประมาณ200คนเป็นกฎที่ว่าทุกโรงแรม ต้องมีร้านอาหารและเหล้าเสิร์ฟสิ่งนี้ทำให้ผมเนี่ยรู้แล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่องของการผลิตการเก็บรักษาการเสิร์ฟเหล้าเบียร์ไวน์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆครบวงจรเลยจนมาถึงเป็นผู้จัดการร้านอาหารแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ติดมหาวิทยาลัย UCLA มหาวิทยาลัยนี้เนะี่ยมีชื่อเสียงมากท็อป10ของอเมริกาเวลานั้นถือเป็นร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อมากตอนนั้นผมคิดอย่างเดียวว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อดึงนักศึกษาที่นี่ออกมากินเล่าให้มากที่สุด oh. <c oughs> มีกลยุทธ์การขายเหล้าเพื่อดึงลูกค้าหลายๆกลุ่มอาทิเช่นให้พนัก ง, งานเสิร์ฟเหล้าแต่งตัวเป็นคาวบอยพกขวดเหล้าออกมาเพื่อเสิร์ฟแทนที่จะพกปืนออตอนนั้นคิดอย่างเดียวจริงๆเหมือนอย่างที่หลวงพ่อบอกในโรงเรียนเลยครับว่าเป็นผู้ขายนะ่ก็อยากจะให้คนกินเหล้าให้มากที่สุด ตอนนั้นผมสนใจแต่ยอดขายไม่แคร์เลยว่าเมื่อลูกค้าดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะเดือดร้อนแค่ไหนไม่เห็นจะต้องมารับผิดชอบเพราะผมคิดเอาแต่ได้อย่างเดียวนี่ถอดใจเขียนมาเลยเนี่ยถอดใจพูดมาเลยเนี่ก็เลยทำให้เห็นแต่โลกมายาหลังจากลูกค้าดื่มไปแล้ว สีงข้อสามและข้ออื่นๆก็ผิดตามมาเขากินแล้วน่ะจะเมาก็ช่างขออย่างเดียวก็นั้นน่ะอย่ามาตีกันในร้านของผมก็พอ oh. ผมก็ต้องจา้างพนักงานรูปร่างใหญ่ๆค oh. อยกันไม่ให้คนเมาแล้วมาทะเลาะกันในร้านของผมเ oh. นี่ยท่านนี้เนี่ยคุณโจเนี่ยสุดยอดจริงๆเลย oh. <laughs> ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ เห็นไ่มจ้าเนี่ยถอดหัวใจของผู้ขายเลยเราขายอยู่ในร้านเนี่ยเราอาจจะเห็นเพียงแค่ว่าเวลาเมาเนี่ยเขาเมากันเมากันจะบันหันแหลกกับเมาแล้วก็ทะเลาะกันเราเห็นแค่นี้นะแต่พอเขาออกจากร้านไปสิ่งที่เราไม่เห็นอีกเยอะนอะ เดินไปจะถึงบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้ขับรถไปจะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจ ะ, ระประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเสียอวัยวะเสียทรัพย์เสียอะไรอีกหลายๆอย่างทีเดียวเนี่ยแล้วเลยเกิดก็ไปถึงบ้านเนี่ยอะไรเกิดขึ้นที่บ้านนี่ผู้ขายเนี่ยไม่ได้มองไปถึงตรงนั้นนะ ว่าเขาจะไปทะเลาะ ก, ก, กันกับสมาชิกในครอบครัวแค่ไหนแลวสิ่งที่เขาจะต้องมองวิแต่เขาไม่ได้มองแลวมองไม่เห็น <Okay. S 1> ว่าทหากขี่มานั้นเป็นเด็กนักเรียนอะไรเกิดขึ้นในโรงเรียนในสถาบาัานการศึกษาหรือในที่ทางานถ้าอยู่ในวัยทำงานอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ได้มองกันตอไป <Okay. S 1> เขามองว่าได้เม็ดเงินมาเท่าไหร่แค่นั้น และยิ่งมองเลยเถิดไปถึงตอนบ้านปลายของชีวิตที่มีโครคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเพราะโทษของสุราเมลัยเนี่ยก็ไม่ได้มองกับความมองห้องใจทางกายยลาโลกก็ไม่ได้มองเลยไปการไปสู่ผลโลกในอบายไม่มองอีกความทุกข์ในอบายนนันก็มองไม่เห็น กับความทุกข์ในสังสารวัตรอีกยาวเหยียดเลยเนี่ยความอยากบางทีมันก็บดบังปัญญานะคืออยากได้ทรัพย์จากความหายยนตของเพื่อนมนุษย์จิตดวงนี้นะจะคิดอย่างนี้เป็นจิตที่เสื่อมคุณภาพเสียศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะ่ยถ้าเจิตเสื่อมคุณภาพแล้ว จะต้องไปอยู่พบที่มีความเสื่อมก็เรียกอบายอบายปแปลว่าความเสื่อมอบายภูมิที่อยู่ของผู้ที่มีจิตเสื่อมคุณภาพน่ยติคิดกันอย่างนั้นแหละนี่อันตรายนะจ๊ะเพราะนั้นอย่างลูกอนนทสวรรค์วิจิตและลูกสมศรีสวรรค์วิจิตเขียนถอดใจมานี่ครูไม่ใหญ่นี่ภาคภูมิใจจริงๆเลย กกนนะี่ขนาดเมาทะเลาะในร้านทุกคําพูดที่เขียนนี่ครูแม่ใหญ่ไม่อยากให้ใครหลุดสักคนเลยนะีและไม่ให้หลุดสักคำหนึ่งเนะี่ยอยากให้ให้ฟังกันต่อไปเนะี่ยเขียนดีมากเลยเพราะเป็นความจริงที่เกิดจากประสบการณ์จริงๆถอดใจามาเขียนมาพูดเลยนะร้านอาหารในอเมริกาทุกร้านที่จะขายเหล้าได้จําเป็นต้องมี ลิเคอร์ไล่เส้นคือใบอนุญาตให้ขายเหล้าได้จากรัฐบาลคนที่จะขอใบอนุญาตขายเหล้านี้เนี่ยจะถูกทางการตรวจสอบประวัติย้อนหลังสิบปีขึ้นไปคือไม่ใช่ขายกันง่ายๆนะไม่ใช่หนึ่งผิตภณัณฑ์หรือกหนึ่งตำบลแล้วไม่ต้องสอบอะไรต่างๆไม่ oh. อันนี้ยากจะสอบประวัติย้อนหลังเลยเนะี่ยตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินลงทุนรัฐบาลไม่ให้กับทุกคนที่ขอ บางรัฐยังมีโคตาว่าทั้งรัฐจะอนุญาตให้ขายเหล้าได้เพียง100ร้าน100แห่งนั่นเเมื่อครบจานวนแล้วก็ไม่มีการออกใบอนุญาตเพิ่มแต่นั้นจึงมีการซื้อขายใบอนุญาตขายเหล้านี้ราคาเป็นแสนเหนรียญนอกจากการได้รับใบอนุญาตให้ขายเหล้าจะยากแล้วเนี่ยยังมีข้อกำหนดให้ขายเหล้าในร้านได้ไม่เกิน 25% เ ส่วนอีก 75% ต้องขายอาหารดังนั้นร้านใดที่ได้รับใบอนุญาตนี้แล้วเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่จะเลิกขายเหล้าได้ปัจจุบันผมเปิดร้านอาหารที่เมืองเบลมเมอร์ตันใกล้ซีอตเทลได้รับใบอนุญาตให้ขายเหล้าร้านนี้เป็นร้านแบบไฟล์ด i n g คือร้านที่ลูกค้าต้องเลือกไวน์ ก่อนทานอาหารเลือกวน์ซึ่งจะได้กำไรเยอะเช่นนี่ท่านถอดคำพูดออกมาถอดอประสบการณ์เลยเช่นซื้อมาห5หเหรียญขาย150หยนึ่งห้าสิเหรียญเยอะไหมเยอะครับเปิดร้านอาหารของตนเองมาส5บหปีแล้วจนเมื่อเราได้มาสูงปฏิบัติธรรมวอร์ชิงตันซีแอตเทิล ระยะผมก็รบเร้าให้เลิกขายเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผมก็ตอบกลับไปทันทีว่าเป็นไปไม่ได้ร้านอาหารไม่มีเหล้าเบียร์ไวน์ต้องเจ๊งทันที oh. นี่คือความเชื่อของทุกๆคนเพราะเขาเห็นกันอย่างนั้นจริงๆแต่ละปี2546ผมได้มาเป็นนักเรียน อ, อนุบาลฝันในฝันอย่างต่อนเนื่องผมยังได้รู้ว่า แต่ก่อนอเรารู้ธรรมามาตั้งมากแต่ก็เข้าใจแบบไม่เข้าใจอเข้าใจแบบ ไ, ไ, มไม่เข้าใจจนกระทั่งผมได้มาฟังคำสอนของหลวงพ่อในโรงเรียนที่พูดได้อย่างลึกซึ้งแต่เข้าใจง่ายแจ่มแจ้งโดยเฉพาะ ได้ดูถึง ท, ทั้งในปัจจุบันและปุบนโลกของการขายเหล้าสิ่งที่ผมคลุกครีมาตลอด26ปีเต็มซึ่งผมไม่เคยได้ยินและเข้าใจเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยผมไม่อยากเป็นเจ้าของบอ่อพักในนรกเลยครั บ, บผมจึงตัดสินใจเลิกขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดอย่างเด็ดขาด ถือว่าเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตเพราะสิ่งเหล่านี้เนะ่เป็นรายได้หลักของร้านเหล้าเบียร์ไวน์มีตั้งแต่ราคาขวดละสาสิบเหรียญคือ 1,260 บาทจนถึงหนึ่งเหรียญคือ 4,200 อ้บาทผมเคยรักเครื่องดื่มเหล่านี้มากแต่ตอนนี้ผมรักอธิษฐานสิ รักตัวตัวเองเพื่อนมนุษย์รักเพื่อนมนุษย์รักตัวเองรักเพื่อนมนุษย์ครับผมเคยรักเสด็จถ่าติดอ่างเยจะพูดเยอะผมเคยรักเครื่องดื่มเหล่านี้มากแต่ตอนนี้ผมรักลวงพ่อมากกว่า โอ้โหเก่งจังเก่งจังเลยนะผมและภรรยาอยากเป็นนักเรียนอนุบาลที่ดีและอยากเป็นลูกพระราชติแท้จริงเมื่อตัดสินใจและตัดใจได้ผมรู้สึกโล่งเห็นไหมจ๊ะตัดสินใจเร็วมันก็โล่งเร็วตัดสินใจช้ามันก็โล่งช้าเห็นเลยว่าสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่ครับตัวเรา ตัวเราต่างหากาเก่งจริง ๆ, ๆขึ้นอยู่ครับดินอากาศฟ้าไหมไม่ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจหรือเปล่าไม่ขึ้นอยู่กับโรคซาร์ไหมไม่ไ ม, ไม่เกี่ยวขึ้นอยู่กับใค ร, ต, รตัวเราตัวเราต่างหากถ้าผมจะไปบอกให้คนอื่นทำความดีแต่ตัวผมยังขายเหล้าครับแล้วใครเล่าจะเชื่อผมอแต่ถ้าผมทำได้ก็จะเป็นต้นแบบ ให้กับคนอื่นๆและลูกหลานในภายภาคหน้าครัเนี่ยครูไม่ใหญ่ถึงไม่อยากให้ใครเนี่ยหลุดสักคำหนึ่งนะครับผมรู้แล้วครับว่าผมจะตัดสินใจเด็ดขาดแบบนี้ไม่ได้เลยหากผมไม่ได้เป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาของหลวงพ่อสงสัยจะปิดไปได้แล้วโรงเรียนนี่ <c oughs> นอกจากโดนปิด <laughs> วันจันดรกทมิถุนายนพุทธศักราช2546ผมและภรรยานำเหล้าวายเบียร์บรันดีคอนยักษ oh. ไม่รู้จักคอนยักษ ร, ร, ราคาแพงเหล่านั้นที่มีอยู่ทั้งในบ้านและที่ร้านอาหารทั้งหมดกี่ขวดร้อยขวดพันกว่าขวดร้อยกว่าขวดขวดที่แพงที่สุด เป็นขวดที่ผมรักที่สุดเลยออซึ่งผมจะใช้จิบเฉพาะในวันงานสำคัญออโอ้มีขวดพิเศษด้วยนะเ<อ> <laughs> <laughs> ช่นฉลองเวลาทำธุรกิจประสบความสำเร็จเท่านั้นขวดนั้นคือ ค, คอนยักษ์เกง่งจริงๆเลยเฮนเนสซี่หลุยส์เดอะเทอร์ทีน ควดคริสตัลซึ่งปกติขายหนึ่งเหรียญต่อเป็กคือ 4,200 อบาทต่อเป๊กเป๊กนึงแค่ไหนเนียเป็กเป็กเล็กๆแค่นี้ได้ไหมจ๊ะแค่นี้ได้ไหมับได้ไหมได้อาเดี๋ยวแสดงเคยดื่มเนี่ยเทากับขวดละ 1,100 เหรียญสี่หมนหกพันบาทมาเททิ้งเทเสร็จแล้วก็ทุบทุบขวดทั้งหมดด้วยอาใครทายถูกอันี้มีรางวัลช้อนด้วยสากถูกต้องจ้าโอ้โหมีรางวัลขึ้นนี่นางธรรมฟรีเพราะวันนี้ขึ้น15บห้าคำ จะต้องนั่งให้ดีๆครับสาธุโอ้โ ห, โหมีคนในพิธีบอกผมว่าทุบขวดให้ระวังอย่าให้แก้วแตกจนบาดมือนะคร<ช>ับคือครูแม่ใหญ่เคยแนะนำว่าต้องห่อผ้าแล้วทุบครับหอ่อผมก็บอกว่าถ้าแก้วบาดมือผมจนเลือดออกผมกลับจะดีใจมากกว่าเพราะเอาเลือดที่ไม่ดีออกไป เลือดชั่วมันจะได้ออกไปบ้านโอ้โหแม่แม่จะถึงขนาดนั้นเลยนะลูกนะเลือดของลูกโจนะลูกนะเลือดดีทั้งนั้นแหละเลือดคือสายโลหิตแห่งความดีงามและกระจายอยู่ทั่วร่างกายแล้วเอาความเข้าใจผิดในตอนแรกทิ้งไปดีกว่า แต่เลือดนี่รักษาไว้ในลูกนะ่ารักษาไว้เลือดคือสายโลหิตแห่งความเป็นครุยญาติครับของนักสร้างบา ร, รมีครับแหมเขียนถึงใจจริงๆิพระอาจารย์จากศูนย์วชิงตันสุชยันโต9จบเพื่อนกระดิมิดมาร่วมอนุโมทนาผมและภรรยาติฐานจิตเรามีความสุขมาก รูไม่ใหญ่ก็สุกนะลูกนะสุขมากเสีเดียวเนี่ยหลังจากกำจัดเสนีย์เหล่านั้นทิ้งไปรู้สึกเย็นกายเย็นใจไม่เสียดายเลยดีใจที่เรากล้าทำแล้วก็สําเร็จเราเปิดร้านอาหารใหม่ที่ไม่ขายเครื่องดื่มอุบาทบเหล่านี้อีกเพราะเมื่อร้านเราปลราศจากของไม่ดีก็เท่ากับเป็นการคัดคนดีๆให้มาเข้าร้านของเราด้วยครับออ ความคิดนี่ดีเหลือเกินเลยตอนนี้ร้านใหม่ของเราขายดีขึ้นเรื่อยๆทั้งที่ไม่ขายเหล้าโอชาทูหลังจากที่เลิกขายเหล้าเพื่อนบางคนไม่เข้าใจหาว่าผมบ้าบ้าเก <together> <c oughs> ่งจ <fit> ังเลยแต่ผมเชื่อในคำสอนของหลวงพ่อว่าอย่ายินดีกับรายได้จากการทำร้ายเพื่อนมนุษย์ ให้ตัดใจไปประกอบสัมมาชีวะเดี๋ยวทรัพย์ใหญ่ก็จะไหลามาภรรยาผมบอกว่าหลวงพ่อไม่อยากให้เรารวยแค่ชาติเดียวอยากให้รวยทุกชาติแก้วและขวดแต่ละใบต้องไม่กลับมาเป็นเครื่องทันทรมานเราอีกถ้าเขินกลับมานี่มันไม่คุ้มเลยลูกโล่งใจมากที่สุดหาทางเลิกมานานแล้วค่ะ วันนี้ลูกเด็กความสุขที่ปรารถนามานานแสนนานครับกาบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อปุชีทางสว่างกับครอบครัวลูกทำให้ลูกได้รับความสุขทิงเงินมิอาจซื้อได้เลยค่ะครับเพื่อเป็นการตอดจำตัวเองหลังจากผมเทเล่าแล้วผมจะบวชบวชอือหือเอ้ยรู้ได้ยังไงเนี่ยเก่งจังเลยฐานครับนิฐานครับ สันนิษฐานนะบวชเป็นธรรมทายาท<อ>ที่สืมปฏิบัติธรรมวอร์จิงตันรุ่น3าปลายเดือนมิถุนายนนี้สาธุพเพลงชีวิตสมณะที่เปิดในโรงเรียนทำให้ผมเนี่ยประทับใจและซาบซึ้งกับความมีชีวิตแบบลระมากครั บ, รบหลังจากนี้ผมไม่มีเล่าให้ต้องเทอีกแล้วแต่ผมจะเทใจ ให้พระหลวงพ่อและพระให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อแบบสุดใจแทนครับโอ้โ ห, โหแม่ทุกคำเลยเนี่ยโอ้ครูไม่ใหญ่นี่ปลื้มมากเลยนะ บ, บวชแล้วให้เป็นสมณะแทนนะลูกนะจะเป็นสมนเณรจะเป็นสมณะแม้เพียงวันเดียวก็เป็นเนื้อนาบุญที่มนุษย์และเทวด า, าก็กราบไหว้ แม้แต่พระอนาคามีที่เป็นเครือขับยังตั้งยกมือไหว้ประคองอัญเชลีกับผู้บวชเพียงวันเดียวแต่บวชแล้วเราก็ต้องเป็นพระเป็นเนนแท้นะลุงเนอะโอ้โหมีความสุขจังเลยเนี่ยอ่านเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูประการอบรมธรมธรมทายาทอบรมหนึ่งอาทิตย์บวชเป็นสมณีนอีกหนึ่งอาทิตย์ ที่ซีแอตเทิลบอชิงตัน 29, มิยอถึง 13, สอันาสิดถึงสามส็สิงหาคมเท็กซัส20กรกฎาคมนิวเจอร์ซีย์ีบก้ามิถุนาชิคาโกยีบสงมิถุนาแอตแลนต้าสา3สิงหานะเดี๋ย <Okay. S 1> วเรามาดูซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์เฮโรอีนสำหรับคืนนี้ผู้เป็นซูเปอร์โมเดลออฟเดอะเวิ์นะเป็นต้นแบบ ที่ดีของโลกผู้ยิงใหญ่เดอะเกรทเดียวดูให้ดีนี่นี่ผู้กล้าสำหรับคืนนี้โอ้นี่กระมิตรอานน์กระมิตรสมศรีสวรร์วิจิตกับเหล้าวายเบียร์บรันดีแชมเปญคอนยักษ์นานาชนิดอะดูหน้าไอชัดชัดหน่อยโอ้หแม่อนโมธนาสาธุ าอาดูอัลนล่างนี่<า>แหละจ้าเห็นไหมเราชนะแลกก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานดีเดียวนี่จะเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตอนุตางานที่ติดไปทุกพบทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเดียวถ้าหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะยังทรงมีพระชนชีพอยู่จะทรง ช, ชื่นชมอนุมโมทนาสาธุ ก, การท่ามกลางพุทธบริษัททั้ง4ี่ทั้งมนุษย์และเทวดาที่จะนับจะประมาไม่ได้เลยเพราะการเอาชนะ สุราเมลัยและสิ่งไม่ดีนี้เนะี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นได้ไ ง, ง่ายง่าย <Okay. S 1> แต่ความดีเนี่ยคนดีทำง่ายคนชั่วทำยากความชั่วคนชั่วทำง่ายคนดีทำยาก <Okay. S 1> นี่คนดีจึงทำความดีได้ง่าย mm hmm. นี่นะจ้ ะ, mm hmm. ะยิ้มแยามแจ่มใสผศ mm hmm. ประกอบการขายเหล่ามา26ปีทุกน้ำไม่ใช่เป็นครั้งสุดท้าย ดูลีลาการเทเห็นไหมอืนี่ฮัสดินไม่ทิ้งลีลาแกนจันไม่ทิ้งกลิ่นหอมบาร์เทนเดอร์ก็ไม่ทิ้งลีลาเหมือนกันเอามาดูกจัดเสนียดไปแล้วกับความสุขทิ้งเงินไม่อาจซื้อได้ก็กลับมาอืนี่โอ้ อยากจะหยุดภาพนี้ไว้ทั่วโลกให้นานๆทีเดียวเนี่ยให้อยู่กลางใจของทุกๆคนเลย ร, ร้านดูซับนี่นอะกรับสาธุถ้าครูเมยใหญ่เนี่ ย, ย, ย, ยอัศจรย์จริงๆเนี่ยทำไมนักเรียนรบารฝันในฝันไม่ยากรู้ได้ยังไงวาใช้อุปกรณ์ชนิดนี้ทุบเนี่ยถูกต้องด้วยดูสินี่ยังทึ่งไม่หายเลยเนี่ยนี่ <laughs> โอ้โอ ให้สะใจดีกว่าคอนอีก <c oughs> คอนมาสะใจแล้เนะ่นี่หนักกว่าพี่อีกแล้วเอากจตามต้มแล้วยังมาทุบอย่างนี้เลยโอ้อุดูรีลาการทุบข้างล่างดู <c oughs> อือหือนี่ <c oughs> แม้แต่บรรวาเสียวล้วเกินเอาห่อผ้านะลูกนะทีหลังเนี่ยใครที่จะทำอย่างนี้นะ <c oughs> อ้าววันนี้หลวงพ่ออนมโมธนาสาธุ ก, การให้ลูกทั้งสอง จงมีแต่ความสุขมีความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวได้สร้างบา ร, รมีไปนานๆสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับตื่นนั่งนอนยืนเดินจะปฏิบัติธรรมะก็ให้พบพระธรรมกายคิดอะไรในสิ่งที่ดีสมความปรารถนาจงทุกประการเทิด